สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับการอย่าร้างโปรเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้านะครับข้อที่สามสิบเอ็ดถึงข้อที่สามสิบสองมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สามสิบเอ็ดถึงข้อที่สามสิบสองโปรดฟังโปรเจนะของพระเจ้ายังมีคํากล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะอย่าพัญญาคไม่ทาหนังสืออย่าให้พัญญานั้นฝ่ายเราบอกทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดจะหย่าพันยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็ถ้ากอกว่าผู้นั้นทําให้หญิงนั้นผิดประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วมาเป็นพันยาผู้นั้นก็ผิดประเวณีด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้โฆจนาพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระคำพีเล่นเดียวกันนะฮะก็คือมัดคิว จะอยู่ในบทที่สิบเก้าครับเป็นคำสอนของพระเยซูเรื่องการอย่ญญาล้างมัทบทที่สิบเก้าข้อที่สามนะครับเราจะอ่านจนถึงข้อที่เก้าครับโปรดฟังพระเน้ะของพระเจ้าพวกปสีศีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายอย่าพัญญาของตนเพราะเหตุใดใดเพาตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พรงตัดตอบว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุตรยึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับปัญญาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พลาดจากกันเลยเขาจึงย้อนถามพระองค์ว่า ถ้าอย่างนั้นทําไมโมเสสได้สั่งให้ทำหนังสื อ, อยาให้พัญญาแล้วก็อย่าได้พระองคตกแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายยาพัญญาของตนเพราะใจท่านั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นฝ่าเราบอกท่านั้งหลายว่าผู้ใดยาพัญญาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไป ม, มีพัญญาใหม่ก็ผิดประเวณีแต่ผู้ใดรับหญิงที่ยาแล้วนั้นมาเป็นพัญญา ก็ผิดประเวณีด้วยเนะครับนี่คือเรื่องราวของครอบครัวและกันอย่าร้างนะครับหลายในครั้งทีเดียวเมื่อเราเข้าไปสู่พิธีแต่งงานนะครับเราจะเห็น ว, ว่าผู้ประกอบพิธีนั้นก็มักจะนิยมทำอิธีข้อนี้ครับบอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงมนุษย์หรือมนุษยผู้ชายจะต้องละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับปัญญาของตนข่าวทั้งสองนั้นจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับและทั้งธีตอนหนึ่งครับ ก็คือเหตุนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันตอนพิธีสมรสพี่น้องครับเรื่องของการแต่งงานนั้นผมอยากจะบอกกับสั้นๆว่าเป็นน้ำมัทไ ข, ของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ทุกๆคนนะครับแต่งงานแต่มีบางคนไม่ได้แต่งงานครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับ บันทึกอยู่ในข้อที่สิบต่อไปจนถึงข้อที่สิบสองครับพวกสาวกทุณพระว่าถ้าลักษณะสามีพัญญาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีพัญญากันเลยก็ดีกว่าพรงคตรัสตอบกับว่ามิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้โดยว่าผู้ที่เป็นขันธทีตั้งแต่กําเนิดก็มีผู้ที่มนุษย์กระทําให้เป็นขันธทีก็มีผู้ที่กระทํำตัวเองให้เป็นขันธที เพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดนั่นหมายความว่าการอยู่โสดนะครับก็เป็นของท า, านจากพระเจ้าและเป็นหลายหคนก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามที่ให้ตัวเขานั้นได้อยู่โซนเพื่อที่เขาจะได้กันเถิ่นพระเจ้าถวายการรับใช้แด่พระเจ้านะครับอันนี้ก็คือการที่ทําตัวเองให้เป็นโสดเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ครับครับที่น้องครับเรากลับมาดูถึง น้ำมไทยของพระเจ้ากับครอบครัวนะครับพระเจ้าไม่ปรารถนาให้มีการหย่าล้างอันนี้เรื่องนี้ชัดเจนครับปริเยซูได้ทรงทําให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์นะครับก็คือพวกเขานี่ได้ใช้นะครับก็เรียกว่าบัญญัติปากเปล่าซึ่งผมได้เกิดอธิบายไปแล้วนะครับก็คือคําสอนนะครับที่เกิดจากปากเปล่านั่นเองที่ถ่ายทอดมาโดยพวกฟอริสีด้วยพวกธรรมจารยีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปถึงในสมัยของผู้วิจัยครับมี เขาเรียกว่าสำนักศาสนาศาสตร์อยู่สสำนักนะครับสำนักศาสนศาสตร์แรกเนี่ยเาเรียกว่าพวกผู้นิจไฉฮิลเลนะครับกิเ I L L E L นะครับและอีกสำนักหนึ่งนะครับเาเรียกว่าชามันะครับ F H A M M A I นะครับชามัยผู้นิจไฉทั้งสองสำนักนี้นะครับก็สอนเรื่องการอย่าร้างแตกต่างกันับในพึ่งที่เดิมนะครับยกอย่างเช่น พวกหินร็วนะครับกล่าวว่าหรือนนสอนว่าผู้ชายสามารถห ย, าายา่าพัญญาของเขาได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ได้ครับแต่ทํมมาไมบอกการหย่าร้างจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดการทําผิดในเรื่องที่สําคัญเท่านั้นพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราดูในพระธรรมเฉยๆให้มันอยากครับซึ่งเป็นจุดกาเนิดของคําสอนเกี่ยวเครื่องของการหย่าร้างครับ เราจะรู้เลยครับว่าพระมังพีสอนว่ายังไงครับในพระมังพีเดิมในท่านพันยบทที่ยี่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ครับโปรดฟังโพรเจนตของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อชายคนใดมีพัญญาแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบพัญญาคนนั้นเพราะมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอายและเขาทําหนังสื้ยาใส่มือนางแล้วไล่ออกจากเรือนไปและนางก็ออกจากเรือนไปเสียและถ้านางไปเป็นพัญญาของชายอีกคนหนึ่ง และสามีคนหลังนี้ไม่ชอบนางจึงทําหนังสื อ, อยาใส่มือนางแล้วไล่นางออกออกจากเรือนหรือสามีคนหลังที่ได้นางเป็นพันยาถึงแก่ความตายสามีคนเดิมที่ได้ไล่นางไปนั้นจะรับนางที่เป็นมนตินมาเป็นพันยาไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแต่พระเจ้าทั้งหลายอย่าการะทําให้แผ่นดินซึ่งพระโยวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นโหมดกนั้นมีความผิดเพียงครับ ประเด็นที่สําคัญอยู่ในข้อที่หนึ่งครับก็คือคําว่านางมีสิ่งน่าอายนะครับเพราะมีคนพยายามอธิบายว่าสิ่งน่าอายนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับแล้วมาดูว่าพระเยซูถามพระเยซูถามพวกเขาและตอบพวกเขานะครับว่าสิ่งที่น่าอายนั้นคืออะไรนะครับสิ่งที่น่าอายของพวกคนในสมัยก่อนก็คือในสมัยเพิ่มขีดเดียวนะั้น ที่สองกันมาโดยปากเปล่านะครับเรียกว่าออร์เดดิชันแล้วบันเขียนบันทึกไว้อยู่ในกำลัครับบอกว่าสิ่งที่น่ารายแม่กระทั่งการทำอาหารไม่อร่อยนะครับมาเลี้ยงแขกก็อายแล้วครับสามีก็บอกว่าคนคนนี้หรือพันยาของเขาคนนีนน้นะครับตอนแต่งงานใหม่ๆนะครับก็รักก็ชอบครับแต่พอเวลาเกลียดเวลาไม่ชอบอยากจะอยากกอหาเหตุว่าพัยานนั้นทาอาหารไม่อร่อย นะครับปัญญานั้นไม่ขยันขันแข็งปัญญานั้นทําให้ครอบครัวเป็นที่น้าอายเขาก็เลยประกาศนะครับต่อหน้าพยานไม่กี่คนนั่นเองครับนะครับประกาศว่าฉันขออยากับผู้หญิงคนนี้ฉันอยากเธอนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายทีเดียวครับนี่ผู้ชายในพมพีเดิมกล่าวซ้ํากันแค่สามครั้งต่อหน้าพยานหลายคนว่าฉันอยากเธอฉันอยากเธอฉันอยากเธ อ, อ, เธอแล้วก็เกิดการหย่าได้ครับ หนังสือต้องออกหนังสือหอย่าให้ด้วยผู้หญิงคนนั้นนะครับที่นี่บอกว่าถ้าว่าผู้หญิงคนเนี้ไปแต่งงานใหม่กับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็หย่านะครับหรือผู้ชายตายนะครับต้องพี่บอกว่าอะไรครับบอกว่าสามีนะครับคนเดิมที่ไล่นางไปจะรับนางที่มีมรินแล้วกลับมาเป็นภรรยาอีกไม่ได้ทีนี้ครับเรามาดูนะครับเราง้าสูงสารผู้หญิงมากครับในสมัยก่อน หญิงชาวิวนะครับแทบจะไม่มีทางเลือกในชีวิตของเธอเลยนอกเสียจากการแต่งงานครับถ้าไม่แต่งงานก็จะกลายเป็นหญิงที่อยู่เป็นโสด น, นะครับก็เป็นหญิงที่มีความเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่ครบถ้วนนะครับหรือไม่งั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นหญิงโฉเพลีครับหรือไม่อย่างงั้นก็เป็นทาสครับอันนี้ก็ไว้สําหรับบํารุงบําเรอนะครับนายทาสพี่น้องครับผู้หญิง คือคนที่สังคมกําหนดชีวิตให้เธอนะครับแล้วใครครับที่มีสิทธิ์ที่กําหนดเด็ดขาดก็คือคนที่เป็นพ่อครับผู้หญิงคือคนที่ถูกกาหนดชีวิตโดยผู้ที่เป็นบิดาจะให้แต่งงานกับชายที่พ่อกําหนดให้โดยที่เธอไม่มีสิทธิ์ที่เรียกร้องทางกฎหมายได้เลยหรือเธอไม่มีสิดเลือกเลยครับพี่้องครับพระเยซูทรงมาเพื่อที่ให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์พระเยซูกําลังบอกกับพวกยิว และสาวบอกของผมว่าการหย่าร้างนั้นสามารถทําได้ในสถานเดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่ทําอาหารเนีอร่อยไม่ใช่แค่ทําให้สามีอายในเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่มีอยู่สถานเดียวก็คือผู้หญิงนั้นไปคบชู้สู่ชายนะครับพระเยซูได้ทรงอ้างถึงข้อบังคับแบบที่พระเจ้าได้ประทานให้กับโมเสสนะครับในสมัยก่อนที่ผู้ชายหย่าร้างกับพันยาเพราะว่าเขาไม่ต้องการอยู่ด้วยกันอีกต่อไปนะครับ ทีนี้พระเยซูกําลังเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ก็คือว่าถ้าหากว่าจะหย่าไม่อยู่สถานเดียวที่อนุญาตให้หย่าได้นะครับนั่นก็คือการคบชู้สูงชายของผู้หญิงพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพระเยซูทรงอธิบายเรื่องการหย่าร้างและการแต่งงานในมัทธิวบทที่สิบเก้าเรียบร้อยนะครับเมื่อคอนดีสีจะถามพระเยซูว่ามีกฎหมายที่จะหย่ากับพัญญาเพราะเหตุใดก็ตามหรือไม่ ครับพระเยซูบอกมีขั้นเดียวครับก็คือจะต้องครบชู้สู่ชายถึงจะอยาปัญญาได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ปรารถนาให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นในครอบครัวครับเพราะพระเยซูทรงทราบครับว่าพระเจ้าทรงสตั้งสถาบันครอบครัวขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากที่จะให้ครอบครัวหย่ากันครับการที่จะไม่หย่ากันนะครับมีหลักการอยู่นะครับก็คือรักนะครับรักก็จะไม่หย่าครับ น้องตอบง่ายๆครับรักเ้าหรือเปล่ารักก็จะไม่อยาดครับความรักนั้นอดทนนานครับคำว่าอดทนมากอ่อนเลยนะครับและจบด้วยอะไรครับและทนต่อทุกอย่างเห็นไหมครับในหนึ่งโครินเหมือนที่ข้อที่สามข้อที่สี่ถึงข้อที่แปดนะครับประกบหน้าประกบหลังเลยครับเหมือนแซนด์วิชนะครับเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็คือเป็นขนมปังที่อยู่ข้างนอกสองอย่างนะครับเริ่มต้นก็คือต้องอดทน อดอดทนนานด้วยนะครับและท้ายสุดก็คือต้องทนกับทุกอย่างถ้ารักเข้าจริงนะครับรักกันจริงต้องอดทนให้ได้นะครับนี่คือคำสอนแด้เป็น d ดฟนิชัหรือคานิยามของความรักขอพระเจ้าวอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน